หวิโมกความหลุดพ้น 6. ขคติที่ไปหรือทางไปเจ็ 7. กรร ม, มะการกระทํา8วิปัลลาสะความคลาดเคลื่อนวิปริตเกมักคะหนทางส0มันเปยะของใสที่ควรดื่มเทียบด้วยคุณธรรมวรที่สอง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 ย0สศูนยะความว่างเปล่าวัคที่สามชื่อปัญญาวัคแปล ว, ว่าหมวดที่ขึ้นต้นด้วยปัญญามีสิบเรื่องนับต่อจากวัคที่สองเป็นข้อที่ยี่สเอ็ดมหาปัญญาคือปัญญาใหญ่ 22. อิทธิคือฤทธิ์หรือความสาเร็จยี่ิบสามิสมัย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 ในตอนที่ยกอธิบายทีละพั์ต่อไป 28. สติปดสตานการตั้งสติ 29. วิปัสสนาความเห็นแจ้งส0มสมาติกาแม่บทคำอธิบายศัพท์ในวรรคที่หนึ่งคำที่หนึ่งยานะแปลว่าความรู้ ข้อนี้มีบทตั้งแสดงถึงญาณคือความรู้อันได้แก่ปัญญาเจ็ดสิบสามประการพร้อมทั้งกล่าวว่าในญาณเจ็ดสิบสามประการเหล่านี้หกสิบเจ็ดข้อเป็นของทั่วไปแก่พระสาวกส่วนอีกหกข้อไม่ทั่วไปแก่พระสาวกในการอธิบายญาณต่างๆนั้นบทตั้งซึ่งเป็นภาษิทธิ์ของพระสารีบุตรไม่ใช่พระพุทธภาษิทธิอธิบายว่า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 ชื่อว่ายานในการเห็นแจ้งคือวิปัสเนยาน 8. ปัญญาในความปรากฏเป็นของน่ากลัวแห่งสังขารชื่อว่ายานคือความรู้ในโทษคืออธีนเวยาน 9. ปัญญาที่ทำให้เกิดการพิจารณาด้วยใครจะพ้นไปเสียชื่อว่ายานในความวางเฉยในสังขารคือ สังขารุปเปคาสุยาน 10. ปัญญาในการออกในการหมุนกลับจากเครื่องหมายแห่งสังขารภายนอกชื่อว่าโคตรภูยานต่อจกนี้เป็นการแสดงมกคยานผลละยานวิมุตติยานปัญจเวคขณะยานเป็นต้นมียานในอริยสัจ ส, สีและในปฏิสัมพิทาสี่เป็นที่สุด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 วิโมกคือความหลุดพ้นบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงถึงวิโมกสามประการคือสุญญตะวิโมกวิโมกที่ว่างเปล่าอ น, นิมิตะวิโมกวิโมกที่ไม่มีนิมิตอปะนิหิตะวิโมกวิโมกที่ไม่มีที่ตั้งในรายละเอียดได้จจกวิโมกออกไป80ดสิบประการ คำศัพท์ที่หกคติคือที่ไปหรือทางไปบทตั้งเป็นของพระสารีบุตรแสดงว่าการที่จะถึงพร้อมด้วยคติคือเกิดในที่ดีๆตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถึงเทพว่าแต่ละประการนั้นมีเหตุกี่อย่างคำศัพท์ที่เจ็ดกัมมะคือการกระทําบทตั้งเป็นของพระสารีบุตร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 บทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงวิปาัาสตสีประการคือความวิปาัาสตคลาดเคลื่อนแห่งสัญญาแห่งจิตแห่งความเห็นหนึ่งในสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงสองในสิ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสามในสิ่งไม่ใช่ตนว่าเป็นตนสีในสิ่งที่ไม่งามว่างามและพระพุทธภาษิต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 คำศัพที่16ปฏิสัมพิทาคือความแตกฉานบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วแสดงความแตกฉานสี่อย่างโดยละเอียดคำศัพที่17ธรรมจักกล้อรถคือพระธรรมบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตบางตอนในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร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 คือธรรมะที่ให้บรรลุความสำเร็จอินรีห้าคือธรรมะอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนพละห้าคือธรรมะอันเป็นกำลังโพชฌงเจ็ดคือองค์แห่งการตรัสรู้มักมีองค์8ดคือหนทางหรือข้อปฏิบัติอริยมรรคสี่สามัญญผลสี่และนิพพาน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 ความศูนย์จากลักษณะความศูนย์ตามลักษณะวิมุตห้าเป็นต้นจนถึงความศูนย์เดบารมัดคือศูนย์โดยประการทั้งปวงคำอธิบายศัพ์ในวรรคที่สามคำศัพท์ที่21อ็มหาปัญญาคือปัญญาใหญ่บทตั้งเป็นของพระสารีบุตรแสดงว่าเจริญอนิจานุปัสสนาคือการพิจารณาเห็นเป็นของไม่เที่ยง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 คำสนปที่ยี่สที่อ2อิทธิคือฤทธ์หรือความสำเร็จบทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตรแสดงความหมายของคำว่าฤทธ์คือความสำเร็จแสดงฤทธิ์สิบอย่างคือ 1. ฤทธ์อันเกิดจากการอธิษฐาน 2. ฤทธ์เกิดจากการบันดาลหรือวิกุพพนาส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 แล้วตรัสแจกรายละเอียดออกไปถึงการเจริญมักมีองค์แปดมีความเห็นชอบเป็นต้ น, อ, นอาศัยความสงัดอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอาศัยการสละแล้วแจกความสงัดวิราคะนิโรธการสละออกไปอีกอย่างละห้าข้อได้แก่วิัำพนะหรือการข่มด้วยฌานตัดทางคะองค์นั้นคือสมาธิ ที่มีส่วนในการชําแรกหรือทำลายทิฏฐิสมุดเฉดการตัดขาดด้วยมัดเป็นโลกุตระปฏิปัสสธิการสงบระงับด้วยผลนิสรณะการเล่นออกคือนิโรธหรือนิพพานคำศัพท์ที่25เจริยาคือความประพฤติบทตั้งเป็นของพระสาวเรบุตร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 สสมาธิจริยาความประพฤติในฌานสี่ญาณจริยาความประพฤติในอริยสัจสี่หมัคคะจริยาความประพฤติในมัคสี่เปฏิจริยาความประพฤติในผลสี่แโลกัตถจริยาความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลก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 มีความกังวลเป็นศีษะมานะหรือความถือตัวมีความผูกพันเป็นศีษะทิฏฐิมีความลูกคลำหรือปรามาสเป็นศีษะความฟุ้งซ่านมีความสายไปเป็นศีษะอวิชามีกิเลสเป็นศีษะศรัทธามีความน้อมใจเชื่อเป็นศีษะวิริยะความเพีย มีความประคองเป็นสีสักสติมีความปรากฏเป็นสีสักสมาธิมีความไม่สายไปเป็นสีสักปัญญามีความเห็นเป็นสีสักชีวิตินทรียีมีความเป็นไปเป็นสีสักวิโมกมีโคจรคืออารมณ์เป็นสีสักนิโรธมีสังขารเป็นสีสัก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 จบเล่มที่31ขุตกะนิกายปฏิสัมพิทามัค